บุกท <Book> <50. S 3> ูห้าสิบอูอรมุตอาธิตที่สะะว้น้ำอาอุเสัตว์ชวอาอุเ ซ, ว, ว, เซวันนี้อากาศร้อนเทรซ ลรสลเราไปสระว่ายน้ำกันไหมวิตออเซจิต เ, เซคุณอยากไปไว่ายน้ำไหมกินดาซาซูรา อ, อวิวเตกินดาซซูราอติตคุณมีผ้าเช็ดตัวไหม ก้าวสปิรซาขซกาวขปีรซาซคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมกาวขึ้าซูราโอรูซีก้าวสึ้นซซูราโอรูซีคุณมีชุดว่ายน้ำไหมกาวขึ้นาซูราโอคอสตูมีก้วาวขึซซูราโอคอสตูมี คุณว่ายน้ำได้ไหม s ชช s ช g i z s u v a s h i z คุณดำน้ำเป็นไหมควิน t v a s ช e g i d z l i y a k t v a s h i z คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม t s ลช s h i k ม t o ma s h e g i d อชตมาชกลยอาบน้ำได้ที่ไหน sadaris shkapi sadaris s h a p i ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน sadaris kamosadzuleli k a b i n a sadaris a m o s a l e l i k a b i n a เว้นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนสัตอาริสสัตสุราอสัทวเลสัวอาริสสัตุราอสัวเลน้ำลึกไหมที่กรมาณทขรมาน้ำสะอาดไหมทีาลกลสะอา น้ำอุ่นไหมผมหนาวมาก น, น, น้ำเย็นเกินไป ซาเลียนซิเวียผมจะขึ้นจากน้ำแล้วอัคลาทซ์กลิดันอามูวัลอัคลาทซ์กลิดันอมูวลกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด